ก็พระนางรุจาราชธิดานั้นประดับด้วยเครื่องสัมภาร์สเสด็จไปณนะ่ามกลางหญิงสหายเพียงดังสายฟ้าแลบออกจากเมฆเสด็จเข้าสู่จันทกะปราศาสตรพระราชธิดาสเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชถวายบังคมพระชนกนาฏผู้ทรงยินดีในวินยัยแล้วประทับอยู่ณนะตังอันขจิตด้วยทองคำส่วนหนึ่ง ก็พระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นพระนางรุจาราชธิดาผู้ประทับอยู่ท่ามกลางหญิงสหายซึ่งเป็นดังสมาคมแห่งนางเทพอับซรจึงตรัสถามว่าลูกหญิงยังรื่นรมอยู่ในปราสาทและยังประพาสอยู่ในอุทยานเล่นน้ําในสระโบกครณีเพลิดเพลินอยู่หรือเขายังนําของเสวยมากอย่างมาให้ลูกหญิงเสมอหรือ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 กระหม่อมชันจักให้ฐานแกวนิพกทั้งปวงตามที่ให้มาแล้วพระเจ้าอังคติราชได้สดับยพระดำรัสของพระนางรุจาราชธิดาแล้วตรัสว่าลูกหญิงทำทรัพย์ให้พินาฏเสียเป็นอันมากหาผลประโยชน์ไม่ได้ลูกหญิงยังรักษาอุโบสถศีลไม่บริโภคข้าวน้ำเป็นนิดอยู่ ลูกหญิงถูกลิขิตให้ไม่พึงบริโภคข้าวน้ำนั้นบุญไม่มีจากการไม่บริโภคนั้นแม้วีชะกะบุรุษได้ฟังคำของคุณาชีวะกะกัสปะโคตในการนั้นแล้วถอนหายใจพึดฮัดร้องไห้น้ำตาไหลลูกหญิงรู้จาเอย๋ยตราบเท่าที่ลูกยังมีชีวิตอยู่อย่าอดอาหารเลยประโลกไม่มีะคนดี ลูกหญิงจะลำบากไร้ประโยชน์ไปทำไมพระนางรุจาราชธิดาผู้มีพระชวีวันงดงามผู้ทรงทราบธรรมระลึกชาติในอดีตเจ็ดชาติในอนาคตเจ็ดชาติได้สดับพระดำรัสของพระเจ้าวิเทหราชแล้วกราบทูลพระชนกนาถว่าแต่ก่อนกระหม่อมฉันได้ฟังมาเท่านั้น กระหม่อมฉันเห็นประจักษ์เองในข้อนี้ว่าผู้ใดเข้าไปคบคนผานผู้นั้นก็สำเร็จเป็นผานไปด้วยก็คนหลงอาศัยคนหลงย่อมถึงความหลงยิ่งขึ้นอลาตะเสนาบดีและนายวีชกะสมควรจะหลงขอเดชะส่วนพระองค์มีพระปรีชาทรงเป็นนักปราดทรงฉลาดรู้ซึ่งอัด จะทรงเป็นเช่นกับพวกคนพานเข้าถึงซึ่งทิฐิอันเลวได้อย่างไรก็ทาสัตว์จะบริสุทธิ์ได้ด้วยการท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏการบวชของคุณาชีวะกะก็ไม่มีประโยชน์คุณาชีวะกะเป็นคนหลงงมงายย่อมถึงความเป็นคนเปลื่ยเหมือนมแมลงหลงบินเข้าเปลวไฟฉะนั้นคนเป็นอันมากผู้ไม่รู้อะไร ได้ฟังคำของกัสปะคุณาชีวะกะว่าความหมดจดย่อมมีได้ด้วยสังสารวัตรก็เชื่อมั่นเสกโอนทีเดียวจึงพากันปฏิเสธกรรมและผลของกรรมโทษคือความฉิบหายที่ยึดไว้ผิดในเบื้องต้นก็ยากที่จะเปลื้องได้เหมือนปลาติดเบ็ดยากที่จะเปลื้องตนออกจากเบ็ดได้ฉะนั้นข้าแต่พระมหาราชา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 เป็นผลบุญที่ตนทำไว้แล้วในปางก่อนนั่นเองบุญของอลาตะเสนาบดีนั้นจะหมดสิน้นลาตะเสนาบดีจึงมายินดีในอกุศลกรรมอันไม่ใช่คุณหลีกละทางตรงเดินไปตามทางคตนรชนสั่งสมบุญไว้แม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมไปสู่เทวโลกเหมือนวีชะกะบุรุษผู้เป็นทาตยินดีในกรรมอันงาม ย่อมมุ่งไปสู่สวรรค์ได้เปรียบเหมือนตาช่งที่กำลังช่างของเมื่อเอาจานตาช่างห้อยไว้แล้วเมื่อเอาของหนักออกเสียหัวตาช่างก็จะสูงขึ้นฉะนั้นนายวีชะกะผู้เป็นทาดเห็นทุกในตนวันนี้เพราะได้เสภบาปกรรมที่ตนกระทำไว้ในปางก่อนบาปของเขาจะหมดสิ้นเขาจึงมายินดีในวินัยอย่างนั้น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 และเข้าไปคบหาบุคคลเช่นใดแม้เขาก็ย่อมเป็นเช่นบุคคลนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้นได้ผู้เสพย่อมติดนิสัยผู้ที่ตนเสพผู้ติดต่อย่อมติดนิสัยผู้ที่ตนติดต่อเหมือนลูกศนอาบยาพิษย่อมเปื้อนแล้งฉะนั้นนักปราดไม่ควรเป็นผู้มีคนลามกเป็นสหายเพราะกลัวจะแปดเปื้อน การครบคน่านย่อมเป็นเหมือนบุคคลเอาใบยญ้าคาร้อยปลาเน่าแม้ใบยญ้าคาก็มีกลิ่นเหม็นคลุ้งไปด้วยส่วนการครบหาสมาคมกับนักปราชัยย่อมเป็นเหมือนบุคคลเอาใบไม้ห่อกฤิณาแม้ใบไม้ก็มีกลิ่นหอมฟุ้งไปด้วยเพราะฉะนั้นบัณฑิตรู้ความเป็นบัณฑิตของตนดังใบไม้สำหรับหอ่อ จึงไม่คบหาสมาคมอสัต บ, บุรุษคบหาสมาคมสัต บ, บุรุษเพราะอาสัต บ, บุรุษย่อมนำไปสู่นรกสัต บ, บุรุษย่อมให้ถึงสุขติ